และคนเหล่านั้นก้าวออกมาจากจุดเริ่มต้นที่ต่างๆกันพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสัตว์ทั้งหลายจเจริญอยู่ในขั้นตอนต่างๆเอ่งพัฒนาการในอริยธรรมสังคมประกอบด้วยมนุษย์ซึ่งมีชีวิตที่พัฒนาอยู่ในระดับต่างๆกันเราต้องยอมรับความแตกต่างหลากหลายนี้และจัดสรรเอื้ออํานวยความช่วยเหลือเกื้อกูลที่เหมาะกับเขาในการที่จะพัฒนาต่อไป เมื่อมองดูการเดินทางหรือพัฒนาการของมนุษย์ในแง่ที่เกี่ยวกับเรื่องเทวดาก็จะเห็นลำดับขั้นแห่งพัฒนาการเป็นสามขั้นคือขั้นที่หนึ่งขั้นอ้อนวอนหวังพึ่งเทวดาจัดว่าเป็นขั้นก่อนพัฒนาขั้นที่สองขั้นอยู่ร่วมกันด้วยไมตรีกับเทวดาคือจุดเริ่มต้นของชุมชนแบบพุทธหรือชุมชนอารยธรรม ขั้นที่สามขั้นได้รับความเคารพบูชาจากเทวดาเป็นระดับพัฒนาการของผู้เข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาข้อคนย้ำก็คือคนผู้ใดผู้หนึ่งจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธก็ต่อเมื่อเขาก้าพ้นจากขั้นอ่อนวอนหวังพึ่งเทพเจ้าเข้าสู่ขั้นอยู่ร่วมกันด้วยไมยตรี ซึ่งเขาจะดำเนินชีวิตด้วยความเพียรพยายามกระทําการตามเหตุผลเลิกมองเทวดาในฐานะผู้มีอํานาจที่จะต้องวิงวอลประจบเอาใจเปลี่ยนมามองในฐานะเป็นญาติมิตรดีงามที่ควรเคารพนับถือมีเมตตาต่อกันไม่ควรมั่วสุมคลุกคลีกันไม่ควรรบกวนก้าวไก่กันและไม่ควรสมคบกันทําสิ่งเสียหายไม่ชอบด้วยเหตุผล มีข้อสังเกตว่าชาวไทยพุทธสมัยเก่าที่เชื่อผีสางเทวดาเมื่อจะทำการใดที่อาจกระทบกระเทือนเทวดาเขาพูดว่าให้บอกกล่าวเทวดาหรือบอกกล่าวพระภูมิเจ้าที่ข้อนี้อาจเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการปรับตัวเข้าสู่แนวทางของพระพุทธศาสนาเปลี่ยนจากการเส้นสูงสังเวย อ, อย่างพรามแต่การบวงสวงบนบาน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 พวกที่ว่ามีแล้วระแวงว่ามีก็มีรู้วิธีปฏิบัติอย่างอื่นนอกจากการบวงสวงอ้อนวอนดังนั้นทั้งที่มีการดุว่าให้เลิกบวงสวงอ้อนวอนเทวดาแต่การบวงสวงอ้อนวอนบนบานนั้นก็กลับยิ่งแพร่หลายงอกงามยิ่งขึ้นข้อสังเกตนี้จะเป็นจริงหรือไม่ขอให้ผู้มีโอกาสช่วยกันค้นคว้ามาบอกกันต่อไป เมื่อมองพัฒนาการนั้นในแง่ที่เกี่ยวกับอิทธิปฏิหารรวมถึงอำนาจศักดิ์สิทธิ์เร้นลับอื่นๆก็จะมีลำดับสามขั้นเหมือนกันคือขั้นหวังพึ่งขั้นเสริมกำลังและขั้นเป็นอิสระสิ้นเชิงขั้นที่หนึ่งคือขั้นหวังพึ่งเป็นขั้นรอคอยอำนาจภายนอกดลบรรดาลทำให้หมบมุ่นฝักไฟปล่อยทิ้งเวลาความเพียรและการคิดเหตุผลของตน จัดเป็นขั้นก่อนพัฒนาหรือนอกชุมชนอาระยะขั้นที่สองขั้นเสริมกำลังคือขั้นที่ทำอิทธิปาฏิหารได้เองแล้วและใช้อิทธิปาฏิหารนั้นเพื่อเสริมกำลังในการทำความดีอย่างอื่นเช่นในการช่วยเหลือผู้อื่นจากภัยอันตรายและเป็นเครื่องประกอบของอนุสาสนีปาฏิหาร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 คิดมุ่งเอาผลจากการกระทาไม่มุ่งหามงคลขั้นที่สคขั้นเป็นอิสระสิ้นเชิงคือการมีชีวิตจิตใจเป็นอิสระดำเนินชีวิตที่โปร่งเบาแท้โดยไม่ต้องอาศัยอิทธิปาฏิหารหรือสิ่งอื่นภายนอกมาเสริมกำลังใจของตนเลยเพราะมีจิตใจเข้มแข็งเพียงพอ